แรกหลวงพ่อเองว่าจะไปกิจนิมนต์ที่อำเภอสีเชียงใหม่เป็นโยมอุปถัมภะทัะทกมาแต่ดั้งเดิมมาแต่นมนานแต่ไปไม่ได้เรู้สึกว่าปวดหลังผิดปกติปวดหลังมาสองสามวันแล้วหลวงพ่อวันนี้รู้สึกว่ากำเริบขึ้นก็เลยงดไปให้พระไปแทน ในพระไปสององค์ถ้าจำไม่ผิดเคยเป็นมาครั้งก่อนก่อนห้าหกปีให้หลังมันเคยปวดมาครั้งหนึ่งจากนั้นมันก็หายไปมาคราวนี้สิว่าแต่ว่าตามจริงคงจะไม่ใช่กระดูกนะตามสังเกตตามหมวตีสังเกตมัวงนั่นสังเกตตัวเองว่าโบ้ไม่ใช่กระดูกมันลักษณะเป็น เส้นเส้นมันตึงๆแข็งๆมันแพงๆมา ง, งั้นแหะในขณะที่มันจะเจ็บทีแรกเอ๊ะก็รู้สึกเลยว่าลักษณะนี้มันจะปวดหลังแน่ๆนะก็พยายามระวังระวังอย่าไม่ก้มไม่เอี้ยวอะไรแรงพยายามอยู่แต่มันก็เจ็บแต่ก็ไม่ถึงกับมากแต่ก็พอสมควรมัน ง, งั้นแหะอันนี้ก็เป็นยมมาทูดมาเตือนเหมือนกัน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 เหมือนทหารไม่ได้ฝึกอย่างนั้นไม่ได้ทหารไม่ได้ฝึกเอาไว้ไม่ได้ฝึกวิธีการรบประเภทนั้นเอาไว้พอมาเจอพอมาก็จะอึกเหมือนกันไม่รู้จะเอาอย่างไงถ้า ว, ว่าเราเตรียมพร้อมมาอยู่เสมอเราคิดไปอยู่เสมอเราซ้อมรบไปอยู่เสมอถึงค้าศึกสงครามจะเข้ามา เราก็ไม่สะทกสะทานไม่หวาดวัน่นต่อสิ่งเหล่านั้นเพราะเราได้คิดไว้ก่อนแล้วว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ในหลการพิจารณาธรรมหรือว่าพระพุทธเจ้าที่ท่านให้สิทิอนุสิตของพระองค์ระลึกถึงความตายไว้อยู่เสมอมันลนังเมพาวิสติระลึกถึงความตายตัวเองไว้อยู่เสมอข้าจะต้องตายอีกวันหนึ่งข้างหน้า ไม่ต้องสงสัยอันนี้แปลว่าฝึกรบฝึกซ้อมรบฝึกทำใจเอาไว้แต่ถ้าว่าไม่มีคิดเลยว่าตัวเองจะตายพอมรณะภัยหรือว่าความตายเข้ามาคืบคลานเข้ามาจิตใจจะรักไม่ได้ทุรนทุรายทำไมมาเจอกับข่าอย่างนี้ข่ายังไม่อยากจะตายผลอื่น ทำไมข้าจะมาเจอกับสิ่งเหล่านี้สึ่งเหล่านั้นทำไมจะมาเจอกับข้าใครๆว่ายอมรับไม่ได้แต่การยอมรับไม่ได้จุดนี้จะให้ใครเป็นคนมีนิจไฉหรือเป็นคนตัดสินมันใครทํำมาได้ทั้งหมดนี่แหะเรียกว่าอัตหิอั ต, ตโนนาโถต้นแลงเปี่พึ่งของตนจุดหนึ่งเหมือนกัน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 ด้วยความองอาจกล้าหาญไปแบบมีสติบุญกุศลสิ่งไหนที่เราได้สั่งสมเอาไว้บุญกุศลนั้นก็จะเข้ามาคลองใจของเราไปสู่ภพภูมิที่พึงปรารถนาแต่ถ้าว่าเราทำกรรมอันใดเอาไว้มันก็อย่างว่ากรรมตะนั้นจะต้องเข้ามาตีลวนเราเหมือนกันในเมื่อเราจะออกจากกร่าง แต่ถ้าเรามีเราฝึกไปแล้วเรามีสติไปแล้วพร้อมกับบุญของเรามีก่อนเก่าจุดนั้นลหละเราจะไปด้วยความไม่สะทกไม่สถ้สถานไม่หวัดหวันไปด้วยการมีสติในการไปไม่ได้ไปแบบกลัวไม่ได้ไปแบบขาดสติไม่ได้ไปแบบไม่ไไแบบตัแบบต้งใจจะไป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 ในขณะที่นั่งที่กำลังนอนกาหนดดูตัวเองสติอยู่กับตัวเองจนเกิดสมาธิเป็นญานณทัศนะขึ้นมาในขณะนั้นไม่ยึดมั่นถือมั่นดูใจของตัวเองไปไปสู่พรมได้ง่ายๆ เ, าเมื่อสติอยู่กับตัวเองเป็นสมาธิในขณะนั้นไปสู่พรมแต่โดยมากพรริยะเจ้าทั้งหลาย เมื่อเห็นมรณะภัยเข้ามาถึงท่านกำหนดจิตใจของท่านปล่อยวางไม่คิดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงเป็นพระหันในขณะที่ใจจะขาดก็มีมากตัวมากเช่นเดียวกันนี่ว่าสมาัมมะวิสีสีอะไรลักษณะอย่างนั้นแต่หลวงพ่อจำไม่ได้แต่ลักษบารีลักษณะอย่างนั้ น, ปปาา น, นใครเข้าตายเมื่อจนจมดลลมหายใจเข้าออกแล้วก็ตัดกิเลสในขณะนั้นได้ อันนี้ก็มีมากเพราะว่าจุดนั้นมันไม่ได้มีที่พึ่งอย่างอื่นเลยมันพึ่งตัวเองนั่นแหละอยเพราะนั้นพวกเราต้องฝึกเอาไว้อย่าประมาทชีวิตของคนเราเนี่ยมันไม่มีที่มันไม่มีอะไรแน่นอนทั้งหมดนะอีกสักวันหนึ่งก็จะต้องจากกันถึงจะรับจะเกลียดโกรธขนาดไหนก็เถอะอีกสักวันหนึ่งก็ ไปคละทิศทางกันไปตามบุญกลัมของแต่แต่ละคนจะเกิดพบนานชาดนานเอาลืมหลงกันอีกเกิดขึ้นมาก็เอาสะแสวงหาอีกหลงกันอีกนี่แหะเป็น ว, วัดตะพนวัดตะบนไม่มีที่สิ้นสุดพลดวักวนไปวนมาอยู่เนี่ยเหมือนกับมดแดงใต่ขอบดงวนไปวนมาวนมาวนไปเพราะเด่นพระพุทธเจ้าท่านจึง ให้ตัดวัตฏบนให้หนีออกจากวัตฏบนไม่มาเวียนว่ายตายเกิดจะตัดที่ไหนตัดที่ใจนะตัดที่ใจตัด ท, ที่กิเลสที่จะทําให้บุกคลเวียนตัดกิเลสออกจากใจเมื่อตัดออกกิเลสออกจากใจใจบริสุทธิ์แล้วนั่นแหละจบอันนี้คือละที่พระธรรมคําสั่งสอนของพระพุท ธ, ธสอนลูกศิษย์ สอนพวกเราท่านทั้งหลายไม่ให้ประมาทในชีวิตให้ระลึกถึงความตายไปอยู่เสมอความตายเป็นของไมเง่เทียงแท้แน่นอนไม่รู้ว่าจะจากไปขณะไหนเดินอยู่ก็าตายนั่งอยู่ก็าตายนอนอยู่ก็าตายทานอาหารอยู่ก็าตายนั่งรถอยู่ก็าตายขึ้นเครื่องบินอยู่ก็าตาย <Yeah. S 1> อยู่ในน้ำอยู่ในบกตายหมดเพระาะนั้นความตายไม่ได้เลือกสถานที่เพราะนั้นท่านจึงให้กำหนดลม าหายใจเข้าแล้วไม่ออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่เข้าก็ตายว่าตายตายท่านพินาตถึงความตายไปอยู่เสมอนะเป็นผู้ไม่ประมาทรับพอนะท่านอนุโมทนาให้พอ